พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสั่งสินธนูใจผูกดีเก้กาเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปรียนธรรมกประยคนธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสมมาสัมปุทธธตะ อาทาโคสาภารังสังหาริตตาสามิกังคมาเปศตีสาธาโวดุราสปุริตาตั้งหลายนี่ใหญ่นี่จากเราถึงนางนโเนาสุนันตา วาดาเบียดไว้ยังเครื่องใจขัวใบก่อเข่าไปน้อมใบซึ่งยักไ่ขัวควันว่าขอพันปอกเตาคืนเมืองเก่าปุริกรรมบอดีดวงแล้วอันน้องแก้วในกะตัมมาขอสามิกาภยโพผล งดเว้นตอดวางตำย่าเป็นกรรมบาปไรติดตอบสายปลายลุ่นจุ่หายสูญเสียงเขตอย่ามีเศษสลอ <c oughs> กายเป็นคอเกี่ยวก้องลงสู่ห้องอาบายยักผีพายบอตื่นบอพิกฟื้นทั้งใดเต้าหายใจสู้ นอนหลับอยู่สันดีนางชมสีนอนเนาพอยักเท่ากุมพันหัวใจตันกังแกนตุกทั้งเน่นเววนบ่กไข้หอนปีกปอกวายดาออกเมื่อเมืองนางบุญเรื่องนาใต้ร้องรำให้ปาริเตวนา ว่าน้องได้มารวมข้างอยู่ปากว้างดงดานหึงเบิดนานแต่เหล่าหลายควบเขาดีหลีน้องขอนี้ละภากออกไปจากดงใครเพื่อจะไปสู่ห้องคงเขตต้องเมืองอ่อนอย า, อาวนศกเศร้าขอปีเจ้าสายตาจุงลุกมาอย่าจ้า น้องจักกว่าเรียวไว้ขอสายใจมอนน้อยไครตอบถอยสักคำยักดงดำบ่อฟื้นบ่อรู้ตื่นมืนตาสู้นันตาดาไทายร้อนเอาไมเรร้นใจเววนวะโบ้บุดหนึ่งไขรอยู่ดงไพรบุดหนึ่งไครไปสู่ห้องหาปีน้องปงปัน ใจหนึ่งวันเมืองเก่าใจหนึ่งอยู่เฝ้าสามีกามีน้ำตาไหลหลังลูกแล้วนั่งหลตีก็มีหันและนาเ <c oughs> มื่อนั้นสินธุน โ, นโนใจนมเนาหันอาเจ้าสายตาบ่ออกมาสักเตืออยู่รังเรือเมื่อนานบ่เป็นการจักกว่า เจ้าโนลาใสา่ใจจริงเข้าไปตีไก่บอกอาไทยตามีว่าแม่นบอกใค้หนีกาผ่ากอกไปจากลรงตันใจยังพันผัวเท่าไขรอยู่เฝ้าวันยามก็จุงตามมักไฟค้ า, าลานไทยใส่ใจ ขอลาไปก่อนนาไปไว้เจ้าฟ้าพิตาใครขีนยาบอกเล่าฮือพ่อเจ้าตำมีบัดนี้แหละนา <c oughs> ตาสมิงคาเน่ในคานานั้นเล่าวิบากเก่าสุนันตาติดตัวม้าหลายจาดก่อเสียงขาดสะพันนางเล่งหันภาศาตด ใส่ว่าวาดเหลือตาดังเกหาเกาเกือ่พอพ้าเสื้อแห่คำกอมองดำมนเศร้าพออยักเท่ากุ่มพันเกยเฟื้อฟันคำเจ้า <c oughs> ดังสาเกลีวพีตายใจบ่ไม่อวงคองใดเขต้องดงรีไข่ละนีใจใจหายสกไม่เครื่องกา ฟังกำจาเกาถอยแห่งลาน้อยใส่ใจก่อเรียวไว้บ่จ้าเปียบปกผ้าพร้อมผ้าดมก่อนน้อมไว้เตปปะไทยทุยกทิศ <c oughs> และออกไกลกาญยารินยาจากภาษาเจียงขานต้วจอมลานเจียงชันเปื่อยปกดันเมืองเมืองกอมีฮันและนา ส่วนสินเธอหนัวใจ่อนน้อยได้อ่านยอดซอยสมใจก่อเรียวไว้แต่เต้าเขา้าปาเสาด้นนงตันอดใจพันบ่อจอดก็ไปรอเพื่อมพาจิงเฮืออากินกู้เขาลี่อยู่ไปไหนว่าจุงอดใจอยู่ท่าตัวแห่งคาสักกรรม สาดดองดำลายแลยากไร้แพลนำนายาไก่กาหนีจากมันจากลากไปกินกันนอนารินสั่งแล้วก็กาดแก้วขึ้นไปยังหอใจผาสาดแห่งยักคาราดปุมพันวันยังฝันบ่ตื่นบ่ปิกฟื้นกาญนานอพุทธาผ่านเพลอ กอเอาดาแกวสลีกันใจมีคมใสบ่อเศร้าจี่ยากเทากุมพันมันก็พันปิกฟื้นโลกยืนขึ้นบัดเดียวสองตาเขียวมามาบหนวดหยบยับควัดไกวเดือตัวไหลตวงเต้นคอเป็นเส้นย่อปื้ มันรีบถือดาบใหญ่อันห้อยไว้บนหัวดาปากหัวกับกาบว่ามึงนี่หยาบน่านำใจมันดำกำเศร้ามาหลวงเขาเฮือนกูมึงมาจูติไก่เตียงจักใดถึงตายจิ้นคนใจหนุ่มเาวหวานกว่ากว่างฟาน มึงใจห่านลำล้นนี่บ่ป้นไปได้กูหลับไปแต่เจ้ามึงปล่อยเข้ามาขีโตดมึงมีหลายหลากอย่าได้ปากจะสั่งยักตาปังตัวใหญ่ยั่งเข้าไก่ดาฟันก็มีฮั่นแหลนา เมือนั้นมาหาสัจเจ้าจริงตาเล่าใครจะว่าดูร้ายักเท่ามึงนี่เล่าอาทํามจากดงดาป่าไม่ไปลักอาไทยกูมาเป็นบาปนาแต่สดมึงมีตัวถึงตายคูพันภายซอสปอหิวหอด้วยแรงอดใจแข็งดันป่า บอูว่าคืนวันจริงจักขันจวบไรยังอาไทยชมสีจักเอานี้ปิก่อกวายหน้าออกมือเมืองมึงอย่าเคืองโคตกาแม่นไค่คาตนกูจุงไปจู่เก้าก้างตัดตีกวางกังสนามกูจักจำลองพอ หันต่อสายตากันเจียนจาเก่าแล้วเจ้าหนอแก้วสินธนุใจก่อก้อยไหลใหญ่บาตรงภาษาเกียงคานฝ่ายขุณมันบาปใบก่อตัวไหลลงไปและน่ากันถึงตีกว้างกังสนามเจ้าใจรำหนอลา ยืนต่อหน้าลุ่มพันมือถือพันดาบแก้วไข่บอกแล้วคำดีว่ามึงมีมีใจหยาบกะตำบาปนำนาลากเอาอากูได้มาอยู่ไปดองตันกูมาพันเอากว่าป่อยโคตรกาจะแข่งจักฟันแตง่งหลาบซา ถ้วยไหลคาตนโกปูนอินดูแต่ใสมึงเตียงใดว่ำว้แม่นกวัวตายความนาจุงรีบกว่าขึ้นหลังยาก่าปังโคดไม่ยกดับใดฟันไปรีบเร็วไววัดว่าเสียงฟิวฝาดเมื่อว่านอพุทธาติไว้ย โลปลีกได้เร็วปันและออกก่อฟันตอบทองบอถูกต้องคนใดดาบคมใสวาวาดสองดาบฟาดจมกันเสียงดังนั้นพับป่าดังฝ้าผ่าทอราณียักษ์ดงรีเต้นใสเจ้าดอไทยถอยหุนกันเจ้าโยนเปือบเขายักษ์บาปเศร้าถอยนี้ รอบไหลยตีไหลยเตือรบรังเรือเหมือนนานพระผู้บ้านน้อยหนาดกับยักกราดกุ่มพันรบผับกันแต่เจ้าด้าหลวงเขายามตอนไผบ่อร้อนไปก้านบ่อสะตั้นไปได้เหือป่อไหลสะสูอิดอ่อนอยู่ตั้งสอง ยักปุ่มปองบาไปซ้ำโคใหม่ป่านไฟว่าเป็นสันได้เด็กน้อยริตที่ป้อยเหลือลายดาบคมภายเขียนกา้ากูหวาดว่าเรียวไว้เหตุสันได้เล็กได้ดังบอดใจเป็นคนยักตามุญปูเทาก่อเต้นเข้าซับปัน ยอกดาบฟันปัดว่าเจ้าน้อยนาสายใจก็ลบไปบ่จากำดาบกาต่อฟันวิบาตันยักเท่าคมดาบเจ้าจะพอยักผมงอมรณาทอปุดขาดตกดินก็มีหันและนา พันว่ายักษ์กุมพัน์ห้าหาดคอปดขาดตกตายป้อยซ้ำไก่เกิดได้เป็นยักษ์ใหญ่สองตนฮกวิ่งโยนมาไกลเถือดาบไล่ฟันแทงเจ้าจอมแปงอง์อาดเอาดาบฟาดฟันไปยักษ์ตาใสตั้งคู่กาะเข้าสู่มรณา ซ้ำเกิดมาแถมใหม่เป็น nh nh ยักษ์ใหญ่สี่ตนบ่อถอยหนหลีกตาถือดาบกาดามาหนอพุทธเจ่องจัน <c oughs> ก็บุญดันฟันไปยักษ์จังไรตั้งหมู่ก่อมุกหมูนอนตายป้อยซ้ำกายเป็นแปดเข้ามาแวดองคำ นอคุณทำแก่นไทยย่อดาบใดฟันไปยักตาใสมวยหมอต้าวล่มตอดเป็นสายซ้ำมีหลายแถมเรามากกว่าเก่าลายปูนถึงปางลุ้นเมื่อลาปอเต็มป่าดงนาไลากันมาบ่อขาดมาละลาดเป็นสาย เต็มจู่ไปจู่ ห, ห้องโหร้องกองดงดอนหนอผู้ทอนตันเต้าก่อรีบเต้าทานุใจแล้วยิงไปบอจยาถูกยักกาพงพายเต่าล้มตายตั้งหมู่บ่อข้างอยู่สักคน ตัวไพรสนปากว้างดูเป่าว่างบางตาสาักศบหาบ่อใดมีแต่สักยักษ์ใหญ่กุ้มพันก็มีหันแหลนาต <c oughs> ามัดทังปากกาเซนโต่ศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุตนเป็นคู่แก่โลกขันอาภคบาลี มดหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาวะโสมเห็นที่โกดังนี้เป็นตน <c oughs> พีฆเวดราพีโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้าส่วนว่าอยากเท่ากุมพันริษที่มันมีมากตายแล้วหาขึ้นมา มีนำนากว่าเก่าลายร้อยเต่าปานปุ่นตกไปลุ้นเมื่อลาปอเต็มป่าดงตันมือถีพันหอกดาบเต็น่าญ่าเป็นสายมาแวดย้ายลมเจ้าเสียงอดเอาเดืองนั้นเขาเอากันโหร้องยกหอกสองดาแตง เจ้าจอมแป้งดอไทยก่อน่้อมใบอธิษฐานว่าสมปันแห่งคาบอถอยจ้ายังมีขอธนดูดีวิเศษ <c oughs> จานาเพตไพมานกันำอธิษฐานดังนี้แล้วก็เอาธนูแก้วยิงไปเสียงดังไกมีกอง ดังฟ้าร้องแสนทีถูกยักษ์ผีมวนหมูเต่าล่มลูตกตายสากซบหายเปาว่างบ่มีข้างหื้อหันมีแต่กลุ่มพันยักษ์ใหญ่ละสากไว้เดียวได้กันยักษ์ตายไปแล้วพาสัตว์แก้ววันไว้ก็หายไปพร้อมนา กลายเป็นป่าดงรีเจ้าบุญมีน้อยนอกึดใจพออัศจรรย์กอริพันไตเต่าไปห า, าเจ้าสุนันตาใหกขียาบอกล่าวฮือรู้ข่าวตามมีก็มีหันและนะสาพิโอส่วนว่านางสุนันตาหนอนาฟังคำเจ้าหลานใจสุกาลายเกิดตอง ในแห่งห้องหัวใจปั่นดังไฟโบไม่ร้องราให้เวตาาริราหานักเทาอันเป็นพวกาเดมอ่อนนอผู้ทอนตันเ้าก่อตันกาวตามทำโศกนานำไม่มาห่งอาสายสใจ ห่างหายไปเตือนน้อยสีนาก่อยเจยบ้านแลออ่าไขการบอกเล่าฮือแก่เจ้าลานใจว่าดูรัสายที่ราตรีที่อาจเจงซาอานีนาแต่ก่อนมีลูกน้อยอ่อนเป็นยิ่งรูปเปาปิงจินจอย จื่อนางนาดน้อยสุวรรณรังสีชมพันดีใจจ้าดังนางผ้าสาวสาวันยักษ์กุมพันตนพ่อเอาไปต่อมาสกากับนาคนาคใหญ่ตีลุ่มไตเวืองมันกานปันทานันพญานาคบ้แปะเล่นมากสกาลวดเสียทิดานอเนา แกนาเจ้าราชาคิกทาบ่อแล้วยังลูกแก้วยิงเดียวจักยังเตี้ยนอนนั่งโศกตกตั้งหัวใจจู่วันไปบ่อขาดคอลานรักราศัยตาต้วเอามาคือใดยาละไว้ไก่ส่งแดเตือ เหมือนนั้นนั่นว่ามหาสัตเจ้าฟังอาเล่าใครจาสมนัตสาบน้อยจริงตอบทอยกําไปว่าจุงอดใจอยู่ท่าบ่อเดินจ้าหึงนานตัวฆ้าลานขินไทยจักรซอไสแสวงหา ตัวออกมาหือดอย่าสศกไม่เครื่องขีจุมยักผีกาดยาปลานรบภาพมาลายปูผีพาย ใ, ใจเศร้าคือยอยากเทากุ่มพันลานยังฟันล่มเตาดินดะดาวมารนาหมอกระจาพัะยานาคึดบ่อคุดอยากขีสั่งแลยนะ กันไข่จากาวแล้วตนนอแก้วโปที่ญาณก่อาธิฐานน้อมไว้สึ่งเตะป้าไทยไปบนตัวสะกลเถื่อนทองว่าขอช่วยปองรุมรารักษาขินคาอย่าห้ความนามารดาฟุงยญาน้อยใหญ่ย่ามาไกลอินที จุงอยู่ดีจื่นจ้อยกากาศก้อยอธิษฐานสุขใจบ้านคำเจ้าทาราบต่อเต้าขึ้นมาห <c oughs> นอปุาะกล่าวแลกก็สั่งอาเก้ใาสา่ใจว่ายานิไกจากนี้จุงจักลีกาญญาตัดเงื่มพาติเก่า โต๊ะาเจ้าคืนวันกันข้าพันเอาใดยางแก้วแก่นไทยสุวรรณนรังสีจักรีบนี้กาภากจากเมืองนนากเกลียวไว้แล้วสินธนุใจดอไทยก่อน้อมไวยังอารีบไก่กาบอจาเจ้าพนาสู น, กนากณกรนกอมีฮันและนา ในกาละนันใส่เจ้าหนาไทยกุมารก่อทิตฐานวานกก่าึ่งเตปเต้าอินตาตั้งเทวดามวญหมู่กาอัญโยปงไพรเทวดาในเกิรทำจุยานำกูหาวาสุนันตุพนโตเทวสังคาโย ูราเทวดาตั้งไลยเหยม่มวนหมู่จุงพัมรู้เล่งหันคุณนาปันบอกก่าวฮือรู้ดาวตั้งไปสู่เวียงใจต่ำใจแห่งเต้าไทยนากราชาบัดเดียวดีเดเตเหมือนนั่นอินตาเจ้าฟ้าสะเวยเล่งลาสองสวรรค์พัมเล่งหันเก้าเหตุรู้แจ้งเจ็ดบัดเดียว ก็รีบเร็วไว้ว่งลงสู่ห้องดงดอนเป็นวัเนจรพผ่านป่าเตียวสอดลามาหาแสงพุทธชาทำข่าวซึ่งนอตาบนมีเจ้าก็ใครว่าตี้บอกเราเฮอหูเก้าจูพาการส่วนได้ผ่านป่าไม่ อันเตป่าไทยอินตาถ้าแหลงมาสวยแสงก็บอกแจ้งต่างไปว่าเม่นสายใจลานปูใข้ไปสู่ปาราแห่งนาคาตำไต ย, ย่าร่อนหมเครื่องขีคงปุรีเมืองนาปูนี่หากเกยหันจุงรีพันไตเตา กูจะส่งเจ้าเตียวไปกันว่าใครกาวแล้วเต้าต้นแก้วอินตาก็กำหัตทานอเต้าเยี้ยฝังเฝ้าเร็วไว้ก็พดไปสู่ห้อง้าเตต้องนากาปุรีเฮยเจ้าบุญมีกินกู้เขายั่งอยู่ศาลาแล้วคุณอินตาเจ้าฟ้าก็ปอก้าสู่สวรรค์ก็มีหั่นแลยนะ โวพิคสสวนนันวามหาสัจเจางามบวเสาสินธนุใจก่อเข้าไปข่าไปซึ่งเต้าไทยนากราจาบนผางกาภาษาตีห้องราตรงกันพญานาคันยินหลากจริงออกปากจะทม ว่าดูราใจรำนุมเนาตัวแห่งเจ้าเจือสันได้เจ้ามีจใจไขได้ยั ง, งคงเครื่องใจสั่งจาโยปาราดานดาวคงเขต้า้าเมืองได้จุงจะไขบอกเล่าเฮอหูเก้าตามีแดเตอ <c oughs> เมื่อนั่นพ่อเทสัตตนอง์อาจก่อภิวาททุนสาวาข้าแดมหาราชเจ้ า, จ า, จาตนเป็นเก้าปุรีขานี้มีจื่อไว้ว่าเจ้านอไทยสินธนุใจอยู่แดนไก่เช ท, ทองพระเตต้องปัญจาละนะกร พระผู้ทรนป่อคาเป็นเจ้าฝ้าผาปราชิวาพญาคุศสราเตจะอาอไกยข้ามีใจไขว่าแอวเล่นลาพระสนกับเมืองคนน้อยใหญ่อันอยู่ใต้จุพ้พปูเปื่อเลงดูจุแห่งฮือหันแจงป่อตา จิงพดมารอ ด, ดาวคงเเค่เต้าองค์คำได้ยินคำเขาเล่าว่าเต้าเป็นเจ้าปุรีพญยาดีองค์อาจมชาลา ด, ด้วยสักกาคาจิงมาบ่จ้าเพื่อต่อตาปันทานันแลยนะ อังสุตวาส่วนว่าพญานาฟังคำปากใครจาแห่งนอพุท ธ, ธานาน้อยจริงตอบทอยำกำไปว่าเราดีใจหลายแล่เจ้ า, าน้อยแพมหาอันมากสกาต่อตาเราเจ้าฝ่าหอคำยินดีนำจูโูกาอันมาสูปุริเมืนหลายปีแต่เรายัางมีนักเทากทาุมพัน อยู่ดงตันป่าเต้าเอาลูกเตา้าญิงรามองค์กางามใจจ้ามาต่อตาปันทานั้นสัญญากันจุ่ดานแ <c oughs> ม่นเราก้านมากสากาจะคือผางกาภาษาตั้งนางนาดมูสะนมในสะวยรมรวมคาง นั่งเมืองกวางเป็นพญาแม่นยักขายาบจ้าก้านต่อตามากสากาจาักปันที่ดางามอาจเอือเป็นราติวียักดงรีบอแพ่จริงจักแกปันทานั้นเอาลูกมันหนุ่มเนามาอยู่เฝ้าห่อใจ คำคำไขว่าไว้บ่ฮือใดเสียกำนอองคำเจ้าฟ้าปัดผักนามาไก่จักเอาอันใดมาต่อฮือเราพอเล่งหันนั่นจ้าว่าอันเมื่อนั่นเจ้ายอดซอยสินทะนุใจตอบคำไปบ่จ้าว่าเราบ่ได้เป็นเจ้าฟ้าราชา เงินคำหาบ่อใดมีแต่เครื่องใจเตรียมใจคือธานุใจเลิดแล้วกับดาบแก้วเจียงคานทุกงสถ า, านผับใดมีจ้องใจนำนาตามผาธาดะมักไฟบ่อเวียนไววอันใดของเตรียมใจดีเล่าข้าคอใส่เข้าปันธาน้นแม่นข้าพันไปกัน เสียงจูดานจูป้ายจักขอถวายแก่เจ้าตนเป็นเก้าปุรีหลอนพระผู้มีเจ้าฟาก้นแกขาคนไก่จากเอาอันใดตอบเล่าขอเต้าเจ้าใครมาแดดเตอร <c oughs> <c oughs> เมื่อนั้นนาการาจาตัานเต้ากอตานก่าเรียวไว้ว่าแม่นใส่ใจเจ้าฟาแป้ยังคาตามทม ก็ของนําบ่อน้อยตั้งผาสั์ซอยใส่สีตั้งราจชตีวีงามอาตั้งดังนาหมู่สนมท่านพาร่มใจไฟมักไครใดอันใดจุงจักไครที่บอกคาจักยกออกย่อปันบ่อยาจักเลนาการปัน ถ้านันกันดังดีแล้วเต้า ต, ตนแก้วนากราจาก่อเล่นมาสะกสกาตาต่อกับเจ้าหนอโปธิญาณก็มีหันแนนา <c oughs> สองกษัตัิธาที่ราต่างอง์อาจเสมอกันปันธาดันมันแก่นเอาแปดแปนเป็นทาราฮื้อเสนาหนุ่มเท่า โย่แบดเฝ้าเป็นสักขีเป็นหัวตีนั้นเล่าเต้าเป็นเจ้านารกราจาบมีพระยาองอาจแปะเจ้าน้อยน่าสินทนุใจจะกําไปอยอดใหญ่ว่าเจ้านอไท้เดนไกย่ยาไม่ใจจะแก่หื้อได้แปะไปหลังเจ้านี่ยังอ่อนน้อย ดังไก่หน่อยฮัดขันเราเล่งหันแต่เจ้าว่าดาบติ๊มเจ้าออกําทะดูไหลมาจู่เก้าก้างเตียงจะข้างเมื่อเราอันจะเก้าปีกปอกพอตั้งออกบ่หันมียักษ์ดงรีป่าไม่เตจจะใจสามานหูจะนานจู่ดานยังป่ายกันถอยหนุน <c oughs> เจ้าเป็นคนหลกไตอันจักแป้ใดบ่อร้อนมีเจ้าปุรีนากาชไข้ถอยวาดนานาเป็นถัดมาแถมเหล่าเต้าเป็นเจ้านากราจาก่อแปนอพุทธธาีิราถถูกตามบาตรกองทมซ้ำไข่ก ร, รมอยอนใหญ่สึ่งเจ้านอไทยลายักกาด เสนาฮันดมเทาอันอยู่เฝ้าเล่งหันเข่าเอากันโหร้องสะนันกองปุรีเจ้าบุญมีหนอไทยบ่อศกไม่สันใด้เโอเล่นไปใจใจดาจักไก่สุดปลายเจ้าบุญภัยกอแปบพันยาหนักแก่หลายตี ก็บ่มีแปดใดร่ดรอนเอาไม่มองผ่านหน้าตาบ้านแต่เจ้าลวดมนต์เศร้ามัวดำบ่ไขรกำตาน ต, ต่อโตอนั่งพอดูได้เป็นสุดไปทวนแปดกหมายแควกติกาหนอปุถาหนุ่มเน่าก่อแปดหนักเจ้าปุรีก็มีวันนั้นแหละนา เนธิตังขีญาสังว น, นานาวิเศจาห้องเหตุสินธนุใจผูกทวนเกา่าบางเมื่อเจ้ากุมมานมีสมปันไปแก่ได้ผาแ ป, ปนนากราจาด้วยมากสักาทวนแปด สัญญาแขดเป็นปลายฟังมาลายบัดบังคอยอบยังวังลงกอบังก้มสมเร็ตเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลลว